ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ยอมใจเห็นตามคลองธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้ดังเช่นที่ตรัสแสดงเอาไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะตันหา พระเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาคือความดิ้นรนทยันอยากต่างๆดับเวทนาได้ก็ดับตัณหาได้ในที่กล่าวมานี่เป็นการกล่าวลัด ต้องการจะให้มาเชื่อมกับที่ตรัสไว้ว่าตันหาเป็นเหมือนอยางเหนียวในพืชเพราะฉะนั้นการกำหนดที่เวทนา ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้ใช้ปฏิบัติได้เพื่อที่จะสกัดกั้นความเกิดขึ้นของตัณหาในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าได้ตรัส ให้ทำสติตามรู้ตามเห็นกายเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ตรัสสอนในตามรู้ตามเห็นเวทนาในการที่ทำสมาธิกำหนด ตั้งจิตให้รู้ให้เห็นวิปัสนาภูม์ประการแรกก็คือกายดังที่ได้กลายอธิบายมาแล้วก็คือให้เห็นธาตุเห็นอายตนะเห็นขัน ที่เป็นส่วนหยาบก็คือรูปประขันนั่นเป็นส่วนกายและเมื่อกำหนดพิจารณาวิปัสนาภูมิให้ละเอียดเข้าก็ต้องมาถึงเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลงไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งภายในทั้งภายนอก ทั้งภายในนั้นจะอธิบายว่าที่เป็นส่วนกายที่เป็นภายนอกก็คือที่เป็นส่วนกายที่เป็นภายในก็คือที่เป็นส่วนใจคือสุขทุกข์ทางกายเป็นภายนอกสุขทุกข์ทางใจเป็นภายในดังนี้ก็ได้ กำหนดดูตัวเวทนาเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะมองเห็นไตรลักษณ์ในเวทนาอันนี้จะไม่เที่ยงในเวทนาทุกขาเป็นทุกข์ดังอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในเวทนาเป็นอนัตตา ไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราในเวทนาไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราและเมื่อกำหนดดังนี้แล้วตัณหาก็จะไม่เกิดเพราะเวทนาเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมองเห็นเป็นความเกิดดับของเวทนาอยู่ ฉะนั้นก็เป็นอันว่าดับใจได้คือดับใจที่ยังประกอบด้วยยังเหนียวคือตัณหาโดยตรงก็คือว่าดับยังเหนียวในใจได้ในข้อนี้ก็เช่นเดียวกับคำว่าทุกข์กับดับทุกข์ ดับทุกนั้นไม่ใช่หมายความว่าไปฆ่าไปทำลายสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ดังเช่นที่ตรัเอาไว้ว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าเป็นทุกข์การดับทุกนั้น ไม่ใช่หมายความว่าไปฆ่าไปฟันไปทุบไปตีขันท่าแต่หมายความว่าดับตัวตันหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และเมื่อดับตัวตันหาที่เป็นเกิดที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือดับทุกขกับสมุทัยได้ก็ได้ชื่อว่าทุกข์ในด้วยความดับทุกข์ เมื่อดับตัณหาที่เป็นตัวทุกขสมุทัยได้ดังนี้ทุกคือขันห้าก็คงเป็นขันห้าอยู่นั่นแหละไม่ได้เสียหายไปไหนยังเป็นขันห้าอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่เป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือเป็นขันที่เป็นวิบากขัน ขันที่เป็นวิบาก ค, คือเป็นผลของกิเลสของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงละทุกขสมุทัยคือตัณหาได้ทรงได้ทุกขนิโรกคือความดับทุกขันห้าของพระองค์ก็ยังอยู่ก็ทรงบำรุงเลี้ยงดูและก็ทรงใช้ขันห้านี้เอง ปฏิบัติในพุทธกิจต่างๆประกาศพระพุทธศาสนาอนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาใจไปทิ้งที่ไหนเอาใจไปทุบไปคว้างที่ไหนก็หมายความว่าดับอย่างเหนียวในใจดังที่พระพุทธเจ้าได้จัดเอาไว้ที่ยกมาข้างต้นนั้นว่าตัณหาเป็นเหมือนยางเหนียววิญญาณเป็นพืชก็คือดับตัวยางเหนียวซึ่งเป็นตัวพืช ที่จะให้ไปเกิดอีกนั่นเองใจก็ยังอยู่ไม่ใช่ไปข้างไหนแต่ว่าดับยางเหนียวในใจได้คือดับกิเลสได้ดังนี้เรียกว่าดับใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติโดยวิธีที่เพ่งพินิษกํกำหนดเวทนาอันเป็นเวทนานุปัสนาจติปัฏฐานก็เป็นทางปฏิบัติ อีกข้อหนึ่งซึ่งสืบเนื่องมาจากกายานุปัสนาสีปฐานอันเป็นทางปฏิบัติที่จะคายการไปในภพทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิบัติมาในสติปัฏฐานทั้งสี่รวมเข้ากัคืนในโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเจนได้ทรงมีการไป คือตันหาในภพทังหลายอันคายเสียแล้วได้แต่เมื่อยังคายไม่ได้วิญญาณหรือจิตที่เป็นตัวผวงขะองประกอบนี้แหละก็ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนอย่างตัวพึ่งที่ท่องเที่ยวไปในดอกไม้ทั้งหลายเคล้าเกสรดอกไม้ทั้งหลายนำเอา รถของน้ำหวานมาทำรังพึ่งจิตก็เหมือนกันออกไปรับอารมณ์ทั้งหลายก็ น, นำเอาสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่เป็นเวทนานี่แหละกลับเข้ามาเพิ่มพบเพิ่มชาติคือเพิ่มตัวภวงังค์นี่ให้โตขึ้นและให้ดำรงอยู่เพื่อที่จะสืพบพบชาติกันสืบต่อไป เป็นจุติปฏิสนธิกันต่อไปแต่เมื่อมาปฏิบัติตามาพิรุทธเจ้าทรงสั่งสอนกาหนดในกายในเวทนาดับใจได้คือว่าดับยางเหนียวอันได้แก่ตันหาหรือว่าอาวิชชาตันหาวปาทางกรรมในใจได้แล้วก็เป็นอันว่าดับพบดับชาติได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด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 นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอะรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการอบรมจิตได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเรียกว่ากิตภาวนาที่แปลว่าอบรมจิตคำว่าภาวนา ก็ใช้กันในภาษาไทยเช่นพูดกันว่าทมภาวนาทางจิตใจบางทีก็หมายถึงการที่ใช้ถ้อยคำสำหรับภาวนา เห็นภาวนาวะพุทธโธภาวนาวอาอรหังซึ่งพูดหมายถึงว่ากำหนดคำว่าอรหังหรือพุทธโธไว้ในใจกำหนดอยู่ว่าพุทธโธ ว่าอาระหังเป็นต้นก็เป็นภาวนาหรือเป่งเป็นวาจาเบาๆว่าพุทธโธหรือว่าอาระหังก็เรียกกันว่าภาวนาในภาษาไทยแต่สำหรับในภาษาธรรมะนั้น ธรรมภาวนาแปล ว, ว่าการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเช่นว่าทำศีลให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมา ทำสมาธิให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาทำปัญญาให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาคำว่าทำให้มีขึ้นก็คือให้มีศีลขึ้นให้มีสมาธิขึ้นให้มีปัญญาขึ้น ทำว่าทำว่าให้เป็นก็คือทำให้เป็นศีลขึ้นให้เป็นสมาธิขึ้นให้เป็นปัญญาขึ้นก็คือการปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังนี้เรียกว่าภาวนา ส่วนการกำหนดว่าพุโทโธว่าอารหังเป็นต้นหรือการเปล่งวาจาเบาๆว่าพุโทโธว่าอารหังเป็นต้นนั้นก็มีคำเรียกว่าบริกรรม ซึ่งเป็นการปฏิบัติเบื้องตน้นคำว่าบริกรรมนี้บัรนี้ในภาษาไทยมาใช้ว่าบริการโดยความก็คล้ายๆกับบริกรรมนั่นแหละ การกำหนดใจหรือการเปล่งวาจาเบาๆดังกล่าวมาข้างต้นนับวาเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติจึงเรียกว่าบริกรรมมาภาวนาคือการปฏิบัติที่จะทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังกล่าวนั้นในขั้นบริกรรม คือในขั้นปฏิบัติเบื้องตน้นซึ่งอาศัยความกําหนดใจหรือแม้การเปล่งวาจาเบาๆนี่เป็นเรื่องของถ้อยคำจิตภาวนาการอบรมจิตการปฏิบัติ ทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นในจิตพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้โดยใจความว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดทอง แต่ว่าเศร้ามองจับแต่ว่าเศร้ามองไปด้วยอุปกิเลืคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จอนเข้ามาจิตนี้วิมุิคือหลุดพ้นจากอุปกิเลื คือเครื่องเศร้ามองทั้งหลายที่ย้อนเข้ามาได้ด้วยอาศัยจิตภาวนาคือการปฏิบัติอบรมจิตฉะนั้น ตามพระพุทธภาสิทธิ์นี้จึงเป็นอันตรัแสดงถึงเรื่องจิตอันเป็นสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในทุกๆคนว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดพอง ดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้จึงควรทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติทำจิตภาวนาคืออบรมจิตให้วิมุตตหลุดพ้น จากเครื่องเศร้ามองจิตที่จอนเข้ามานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ก็เพราะว่าอันเครื่องเศร้ามองที่ทำให้จิตเศร้ามองอันเรียกว่ากิเลส ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาสู่จิตเหมือนอย่างเป็นอาคันตุ ก, กะคือเป็นแขกคือผู้ที่มาหาไม่ใช่เป็นตัวเจ้าของบ้าน แต่ว่าแขกที่เข้ามาหาซึ่งเป็นอาคันตุกะคือผู้ย้อนมานี่เมื่อย้อนเข้ามาสู่จิตอาศัยอยู่ในจิตก็ทำจิตให้เศร้าหมอง จิตที่มีธรรมชาติประพัดศอนก็กลายเป็นจิตที่เศร้ามองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปกิเลสที่แปลว่ากิเลสที่จ้อนเข้ามาเพื่อให้เป็นที่เข้าใจว่ากิเลสนั้น เป็นอาคารตุกกะคือเป็นภูที่จอนเข้ามาเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาสู่จิตไม่ใช่เป็นเจ้าของจิตเป็นเนื้อแท้ของจิตไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อ ทำภาวนาคือการอบรมจิตจึงวิมุตตหลุดพ้นจากเครื่องสมองที่จอนเข้ามานั้นได้ข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติพุทธศาสนา ที่ทุกคนควรจะทำความเข้าใจดังที่ตรัสไว้เพราะว่าถ้ากิเลสคือเครื่องเศ้ามองที่อยู่ในจิตทั้งหลายเป็นเนื้อแท้ของจิตเป็นธรรมชาติของจิตแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะละได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นได้แต่เพราะเหตุที่ว่าไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิตแต่ว่าเป็นอาคันตุ ก, กะคือเป็นผูที่จรเข้ามาเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาจึงละได้ชำระได้ หลุดพ้นได้คือหมายความว่าปฏิบัติทำจิตนี่ให้หลุดพ้นได้ดังนี้วิธีปฏิบัติอบรมจิตนั่นเมื่อกล่าวโดยย่อก็ได้แก่วิธีปฏิบัติ ที่เรียกว่าสมาธิกับวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าปัญญาสมาธินี้คือความตั้งมั่นของจิตปัญญา คือความรู้ทั่วถึงตามเหตุผลตามเป็นจริงหรือความรู้ทั่วถึงความจริงตามเหตุผลสมาธิและปัญญานี้ เป็นวิธีอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนาแต่ก็มีคำเรียกที่ต่างออกไปเช่นเรียกว่าสมถะปิปัสนาสมถะก็คือ วิธีปฏิบัติทาจิตให้สงบวิปัสสนาก็คือวิธีปฏิบัติทาจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงสมถะกับสมาธิก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน ปิปัสนากับปัญญาก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญะคือวิธีสำรวมระวังธรรมะคือวิธีคม สัญญามวิธีสำรวมระวังนั่นก็มุ่งถึงสติที่สำรวมระวังจิตใจก็มีความหมายถึงมีสติสำรวมระวังจิตใจเพื่อให้จิตใจสงบ ซึ่งเรียกว่าสมถะหรือว่าให้จิตใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิฉะนั้นสัญญมะคือวิธีสำรวมระวังจิตใจด้วยสติเพื่อให้สงบเพื่อให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิยังมีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน ธรรมคมก็คือวิธีคมใจก็หมายถึงว่าคมใจฝึกใจด้วยปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีความหมายถึงการปฏิบัติในขั้นปัญญาคือขั้นวิปัสสนาจึงเป็นพวกเดียวกัน ชันเดียวกันอิตตภาวนาวิธีอบรมจิตดังกล่าวนี้จะต้องมีศีลเป็นภาคพื้นเหมือนอย่างเป็นพื้นดินสำหรับรองรับ สัตว์บุคคลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่บนแผ่นดินชั้นใดก็ดีศีลก็เป็นภาคพื้นเป็นเครื่องรองรับกุศลละธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นคือที่จะปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น หลังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วจึงต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันเรียกบัตรัยสิกขาคือข้อที่พึงศึกษา สามประการหรือว่าการศึกษาสามประการสิกขาเป็นภาษาบาลีศึกษามาจากภาษาสันสกฤตว่าสิกษา